สอจตุวิบัติว่าด้วยวิบัติสทรงพยากรอาบัตหนักและอาบัติเบาเป็นต้น3ามพระอุบาลีกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทูลถามปัญหาข้อใดกับพระองค์พระองค์ได้ตรัสแก้ปัญหาข้อนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทูลถามเรื่องใดๆ พระองค์ก็ได้ส่งแก้เฉพาะเรื่องนั้นๆโดยไม่ได้ทรงแก้โดยประการอื่นข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอทูลถามปัญหาข้ออื่นกับพระองค์ขอพระองค์โปรดตอบปัญหาข้อนั้นต่อไปคืออาบัตหนักอาบัตเบาอาบัตที่มีส่วนเหลืออาบัตที่ไม่มีส่วนเหลืออาบัตชั่วยาบ อาบัตที่ไม่ชั่วหยาบสิกขาบทเป็นยาวะ ต, ะติยักะสิกขาบททั่วไปสิกขาบทไม่ทั่วไปสิกขาบทที่จำแนกไว้ระงับด้วยสมถะหนึ่งขอพระองค์ได้โปรดชี้แจงเรื่องนั้นแม้ทั้งหมดเถิดข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะฟังพระดำรัสของพระองค์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาบัติหนักมี3 1อในอาบัติหนักเหล่านั้นอาบัตไม่มีส่วนเหลือมี8อาบัตหนักจัดเป็นอาบัตชั่วยาบอาบัตชั่วยาบจัดเป็นสีละวิบัตสีละวิบัตและอาจาระวิบัตปาราชิกสังฆาทิเศตเรียกว่าสีละวิบัต ทุลจใจปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิทธคือด่าด้วยประสงค์จะล้อเล่นอาบัตินี้นั้นรวมเรียกว่าอาจารวิบัติทิฏฐิวิบัติบุคคลมีปัญญาเขาทั้งหลายถูกโมหะครอบงำถูกอสัตธรรมรุมล้อมยึดถือความเห็นวิปริต กล่าวตูพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้นั้นรวมเรียกว่าทิฏฐิวิบัติอาชีววิบัติภิกษุมีความปรารถนาชั่วถูกความอยากครอบงำกล่าวอวดอุตริมนุษธรรมที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงเพราะเหตุแห่งอาชีวะเพราะการแห่งอาชีวะ ภิกษุทำหน้าที่ชักสื่อเพราะเหตุแห่งอาชีวะเพราะการแห่งอาชีวะภิกษุกล่าวว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเป็นพระอระหรันต์เพราะเหตุแห่งอาชีวะเพราะการแห่งอาชีวะภิกษุออกปากขอโภชนะอันประณีตมาเพื่อตนแล้วฉัน เพราะเหตุแห่งอาชีวะเพราะการแห่งอาชีวะภิกษุนีออกปาขอโพชนะอันประณีมาเพื่อตนแล้วฉันเพราะเหตุแห่งอาชีวะภิกษุไม่อาพาธออกปาขอแกงหรือข้าวสุกมาเพื่อตนแล้วฉันเพราะเหตุแห่งอาชีวะเพราะการแห่งอาชีวะ น, นี้นั้นรวมเรียกว่า อาชีววิบัตยาวะตะติยกะสิกขาบทยาวะัตะติยกะสิบเอ็ดสิกขาบทนั้นเธอจงฟังตามลำดับต่อไปอุคิตานุวัตติกาสิกขาบทยาวะัตะติยกะสังคาทิเศษแปดสิกขาบทอริทธสิกขาบทจันดกาลีสิกขาบท สิกขาบทเหล่านี้นั้นชื่อว่ายาวะตะิยะกะสิกขาบท